พระธรรมเทศนาแผ่นที่90ลำดับที่18โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุรุณานีแสดงธรรมในวันที่21มกราคม2559มีชื่อเรื่องว่ารู้ว่าจะแพ้ต้องเตรียมตัว วันนี้เป็นวันที่ยี่สิบอดมกราคมพุทธศักราช2559้าห้าสเมื่อวานบ่ายโมงหลวงพ่อได้ขึ้นไปประชุมที่วัดป่าภูกอนเรื่องจะสมโพธพระศีหาสยญาติพระนอนภูกอนจะสมโพธ และทูลเชิญพระองค์พาสเสด็จท่านก็รับสเสด็จแล้วจ ะ, สะเสด็จเนี่ยเดือนกุมภาที่จะถึงเนี่ยแต่ก็ยังไม่มีวันเมื่อมีวันท่านก็จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึง่งวานก็เลยนัดไปชมกันทางฝ่ายพระสงฆ์ก็มีหลวงพ่อ ที่มีอยุพรรษามากกว่าทุกองค์จากนั้นก็หลวงพ่อชาลีหลวงพ่อสดหลวงพ่อภูนาหลาวเจ้าคณะอำเภอศรีเชียงใหม่เจ้าคณะอำเภอสังคมมีสีเจ้าคณะอำเภอแล้วก็ทั้งฝ่ายบ้านเมืองก็มีท่านอดีตผู้วาราชการท่านอำนาจประกาศเป็นผู้ใหญ่ จากนั้นท่านนายอำเภอผู้กำกับของเราแล้วก็มีศรัทธาญาติโยมมีพระสงฆ์ประชุมกันมากพอสมควรหาหรือกันแบ่งงานกันเพื่อจะให้งานไปเป็นไปด้วยความเรียบร้อยราบรื่นแต่ในงานก็เป็นงานใหญ่แต่พวกเราประชุมกันก็กลุ่มไม่ใหญ่เท่าไหร่ แต่ถึงอย่างไงก็กลุ่มเล็กน่ะฟันเฟืองเล็กจะหมุนไปหาให้ฟันเฟืองใหญ่หมุนต่อไปเมื่อวานก็มีการประชุมหาเรื่อกันกว้างขวา ง, วางมองประเด็นที่จะจะเกิดขึ้นรอบที่มันจะติดขัดก็ได้กว้างไกลบนทนจุดเมื่อเปิดประชุมหลวงพ่อก็ให้เจ้าคณะอาเภอท่านเล็ก เจ้าคณะอำเภอสังคมอ่านอ่านจดหมายจดหมายที่กราบทูลแล้วก็ตอบรับลงมาก็ไปที่เข้าใจกันจากนั้นก็มีการปิดประชุมหลวงพ่อก็กล่าวปิดประชุมว่างานขนาดนี้แล้วมันต้องอาศัยความพร้อมเพียงสามขีกันถ้าหากว่ามีความพร้อมเพียงสามขีกันถึงจะใหญ่ก็เล็ก แต่ถ้าหากว่าไม่มีความพรองเพียงสามัคคีกันถึงจะเล็กก็ใหญ่ใหญ่ยังไงเพราะว่ามอบให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้แบกมันก็หนักแล้สิ เ, เหมือนกับ่อนไม้ถ้าหลายคนแบกหลายคนก็ไปช่วยกันหามถึงจะ่อนไม้ใหญ่มันก็ไปได้แต่จะให้คนเดียวแบกจะบไบปหวืเหลือไม่ไหว หรือคนน้อยแบกไว้เรอนั่นแหละใครๆความพร้อมเพียงอยู่ที่ใดความสำเร็จก็อยู่ตรงนั้นทำให้เหลือวิสัยของมนุษย์แต่ถึงยังไงหลวงพอ่อนเน้นย้ำว่าในมอบหมายงานให้กับผู้ใดในคณะที่ประชุมในมอบมหมายงานให้กับ ท่านใดผู้ใดให้จดบันทึกเอาไว้ว่าข้าพเจ้าได้รับงานจากในที่ประชุมให้มาดำเนินการดังนี้ผู้เกี่ยวข้องแต่เมื่อเราไม่สามารถที่จะปฏิบัติงานได้ในเมื่อที่ประชุมมอบหมายให้กับจริงยุทธแต่ข้าพเจ้าไม่สามารถที่จะปฏิบัติงานได้อย่างที่ประชุมมอบหมายมา อันนั้นเราก็รีบบอกหัวหน้าหรือผู้ที่เป็นผู้ใหญ่หลวงพ่อก็บอกเลยหลวงพ่อเฉลีนะบอกหลวงพ่อเฉลีบอกหลวงพอ่อคำสดบอกหลวงพอ่อภูนาลาวหรือบอกท่านผู้ว่าบอกคุณแม่ปียวันไม่ใช่ว่าตัวเองทำไม่ได้ก็เฉยจุดนาทีสุดท้ายหมู่ก็หวังว่าตัวเองจะจัดการจะทำในเรื่องนั้นแต่ตัวเองทำไม่ได้ ก็ทำให้เสียงานทั้งที่คนของเรามีตังเยอะแยะที่อยากมาช่วยงานได้แต่ตัวเองมาขวางไว้อย่างนั้นพรหมู่ก็บอกความไว้วางใจให้ตัวเองทำแต่ตัวเองทำไม่ได้ก็ไม่บอกหมู่อันนี้เสียงานนะอันนี้เสียการเสียงานอย่าได้มีแต่ถึงยังไงเรื่องการงานเหล่านี้มันต้อง ต้องช่วยๆกันคนละไม้คนละมือเนี่ยหลวงพ่อก็ได้สรุปงานมีความพร้อมเพียงสมัคคีกันช่วยกันใครมองเห็นทางไหนที่จะมาช่วยกันได้ พ, พวกเราอยู่ในปา่าดงพงไพยแต่ตียังไงก็ถ้าพวกเราช่วยกันคิดช่วยกันทำแล้วไม่เหลือวิสัย ประชุมกันเมื่อวานเนี่ยจะร้องสมโพธพระพุท ธ, ธสีห์ใช้ญาติโลกกนาตอะไรมาหามงคลอะไรเนะี่ยงพอก็จำไม่ชัดยาวเหลือเกินชื่อแต่สรุปก็คือวัดพระนอนวัดป่าภูก้อนนั่นแนะผู้ใดได้ยินก็ฝังเอาไว้เดือนกุมภาเนี่ยนะเดือนกุมภาเนี่ยจะมีการสมโพธแต่ยังไม่มีวัน จนกว่าพระ อ, องค์พาจะกําหนดลงมาเมื่อไหรก็เมื่อนั้นจึงจะเป็นมีวันที่ชัดเจนวันนี้หลวงพ่อเองก็เป็นวัดเป็นไออย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นเวลาไอขึ้นมามันกระตุกไปหาท้องท้องกระตุงกระตุ้งไปหาเอวโอ้สรุปแล้วมันคือ เป็นวัดไอเป็นไอกับปวดหลังเนี่ยมันเข้ากันได้ดีจริงๆอนละสรุปแล้วก็คือเนี่พยพญาบรจุราชเนี่ยส่งทหารมาตีเมืองตีเมืองกายยนครทางหนึ่งมันตีท้งจมูกทางหนึ่งมันตีเข้ามาทางหลังเวลาไอเนี่ย มันกม า, มาทางหลังก็ช่วยกันมันมันตีกันหนาบคนพยามัจจุราชเนี่ยส่งทหารมาตีกายยนครกายยนครคือตีร่างกายพยามัจจุราชเนี่ยคือพญาธินะพ ย, พยาะพญาคือการเก็บไข้ได้ป่วยมันมาตีทางจมกูกเป็นหวัดเป็นไออ่แล้วก็พร้อมกันมันก็เข้ามาตีทางหลังองีก มันเอวอีกปวดหลังอีกเวลาไอเนี่ยเวลาไอ้หรือจามมมันก็กระแทกไปหาตัวตัวหลังอีกมันปวดนี่แหละทหารพยามัจจุราชมันตีทั้งสองข้างใช่แต่ที้พญาจิตรราชเจ้าของเจ้าของพุ่นแนวความคิดก็ไปหาพญาเพศัตพญาโอสด พยาโอสดคือยาโอสถคือยามาต่อสู้มาต่อสู้กับพญาทหารพญามัจจุราชเอากโกเอยบังเอาพระอภิเตอรอดบังปิดหลังกินฟ้าทลายโจรบัง เ, เพื่อแก้วัดแก้ไ อ, อแล้วก็ยาหลายหลอย่าง อย่างไทยยาไทยยาจีนยาฝรั่งมาเพื่อจะรักษาพยาจิตรราชนะะมารักษาปกป้องเมืองของตอนเองกินให้เพื่อรักษาเอาไว้พยาโอสถพยาทหารพยาจิตรราชส่งพยาโอสถกับพยาเพสัชคือยา เข้าไปปกป้องถ้าหาว่าชนะขึ้นมาปรยาจิตราศก็ดีใจเพราะหายจากโรคไัยไข้เจ็บะยาทหารพยามตรุราชกับป ร, ราชัยหนีออกไปซะก่อนไปพักทัพอีกสักวันหนึ่งวันดีขึ้นดีตีเข้ามาเอกก็สู้กันอยู่อย่างนั้นแหละบางทีก็สู้กันไปสู้กันมา อร่างกายกันเนี่ยเหี่ยวแห้งไปเรื่อยบางทีปรพยาธิมัจจุราชเนี่ยมันตีแบบไม่ใช่ตีแบบหักโหมนะเอตีปัดแข้งปัดขาไปเรื่อยๆ บ, บางทีกับตาฟ้าฟางบางทีกัหูตึงบางทีก็ฟันหลุดอหนังเหี่ยวผมงอกอปวดนั่นปวดนี่ แใกล้ๆว่ามันรดกำลังไปปยามัตรุราชน่ยมันค่อยๆตีเมืองผลในสุดพอทนไม่ไหวจริงๆมันยังตะลุมทีเดียวเลยบีบคอเลยท่านเลยอจาักดินสักหมอกายยนครแตกกระจุยเลยปยาจิตรราชหางจุกตูดแล้วงั่นแหะวว่งหนี วิ่งนี้จากกายยนครพญาอดสดก็สู้ไม่ไหวพญาเพศศก็สู้ไม่ไหวแตกแตกไปนคนละทิศละทางส่วนพญาจิตตลาศที่เป็นเจ้าของเมืองนี่ยครับไปเปิดแหนบไป อ, ออกจากกายยนครไปแต่ว่าก่อนออกจากกายยนครไปนี่แหะจุดนี้แหละสำคัญ แต่ถ้าหาว่าพยาจิตรราชได้วางแผนชีวิตของตนเองเอาไว้คิดไว้ในใจวางแผนเอาไว้ถึงอย่างไรร่างกายพยากกกายยนครเนี่ยมันเคยผายแพร่มาแล้ว่ากี่ครั้งถูกกี่หนมองมอ ง, มองดูแล้วเราไม่ควรประมาทเราควรจะตระเตรียมจะเบี่ยงเดินทางเราควรจะไป เออเอาเพชรนินกินดาเอาไปไว้ต่างแดนไปไว้ที่ไหน เ, เตรียมการเอาไว้เผื่อว่าเราพ า, ายแพ้จากกายนครจุดนี้แล้วแพ้พายแพ้ต่อพญามัจจุราชแล้วเราก็จะได้ไปพึ่งพาอาศัยเงินคำทรัพสมบัติที่เราไปฝากฝังเอาไว้เราจะได้พึ่งพาอาศัยแต่ถ้าพราพยาจิตรราช ได้วางแผนอนาคตของตนเองอย่างนั้นถึงจะพ่ายแพ้ไปก็ไม่หลุดล้วยจึงไม่ทุกยากลำบากเพราะเหตุไรเพราะได้เตรียมการเอาไว้พอสมควรแต่ถ้าหาว่าพยายามจิตราษโง่นะเออมีแต่กินเหล้าเมายาสุรานารีภาชีกีฬาบัดไม่ได้คิดอะไรเลยมีแต่คิดสนุกอย่างเดียวนะพอพญาบัจุราชตีเมืองแตกเท่านั้นนะเออมีแต่ภาค ขำ ม, มา้าผืนเดียวหงวิ่งจันไปไนเลยไม่รู้จะไปที่ไหนใช่ไอจะไปสุกที่ไหนก็ไม่รู้โภนิษูเก็เลยไปหาเกิดไม่มีที่พึ่งพาอาศัยไ ม, ไ ม, ไม่ไม่มีที่ไปไปเกิดกับท้องอวัวท้องควายไปไไเลยท้องหมูท้องม้าไปเรื่อยไปเกิดเป็นสัตว์ที่ระชาไปเพอเพิดหนีไปอีก พยากรรมทั้งหลายเห็นว่าพยาจิตรราชเนี่ยมันทำกรรมไว้ไม่ดีในขณะที่มีชีวิตอยู่เอาจับไปลงโทษซะก่อนเอาไปลงแช่ในมอนากซะก่อนอย่างนั้นก็มีเพราะนั้นให้พวกเราท่านทั้งหลายเดิดเกิดมาได้พบพระพุทธศาสนาเกิดมาได้พบพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าที่หลวงพ่อพูดให้ฟังเนี่ยเปรียบเทียบให้ฟังในกายยนคร พยาโอสถพยาเพชัตตทหารพญามัจจุราชพยาโรคาพยาทั้งหลายที่มาลุ่มมาตุ้มตีกายนครของพวกเราคือกายนครคือร่างกายของพวกเราให้พวกเราคิดดูซิว่ามันเป็นอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวไหมอันนี้หลวงพ่อเพียงแต่อุ ป, ปมาอุปไมให้พวกเราท่านทั้งหลายได้คิด ถ้าว่าไม่ได้พูดถ้าพูดเกิดแก่เจ็บตายนะะก็จบนะแต่ทางหลวงพ่อได้พูดอุปมาอุปไมให้ฟังเป็นรูปธปรรมขึ้นมาอย่างที่หลวงพ่อได้ยกขึ้นมาก็เป็นแนวความคิดแนวหนึ่งที่พวกเรามองนักเห็นมองเห็นได้ชัดว่ากายกับใจใจกับกายของพวกเรานี่มันมีจุดจบสักวันหนึ่งแต่ถึงยังไง ให้พวกเราท่านทั้งหลายอย่าตั้งอ ย, อย่าตั้งอยู่ในความประมาทให้ศึกษาธรรมะเอาทำคําสอนของพุทธะเอาทำคําสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เราได้ฟังแต่ละวีแต่ละวันแต่ละเวลาที่เราได้ศึกษาจากเทพจาก MP ็สาจากหนังสือที่เราได้ศึกษาจากนั้นก็นามาประพฤติปฏิบัติปรปับปรุงกายวาจาใจของเราสรุปแล้วก็คือเราจะตั้ง เราจะตั้งอยู่ในความไม่ประมาทนะเพราะชีวิตของพวกเราจริงอย่างที่หลวงพ่อเนพูดเรียกเราถึงยังไงยังไงพยามัตจุราชต้องตีเมืองแตกแน่ๆอยู่แล้วไม่มีใครที่จะสู้ตลอดรอดฟังตายไม่เป็นไม่มีที่มองมองเห็นอยู่นะอที่เรามองเห็นเนี่ยนะเมืองไหนก็เมืองนั้นแตกมาไม่รู้กี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านะ่ะ บ่ันเราเมืองของเรานะ่จะไม่แตกเหรอมันก็มีส่วนแน่นอนเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายอย่าตั้งอยู่ในความประมาทสิ่งไหนคือความดีคิดดีทำดีพูดดีอย่างที่หลวงพ่อพูด น, ะนั่นแหละพวกเราให้ประกอบสิ่งนั้นคิดชั่วทำชั่วพูดชั่วนะถึงยังไงในปัจจุบันก็เดือดร้อนถ้าเราคิดดีทาดีพูดดีแล้วนะ่ะ อยู่นักสถานที่ใดก็ดีทั้งหมดนะวันนี้หลวงพ่อให้แนวความคิดแนวหนึ่งสำหรับพวกเราทันทั้งหลายต่อนนไปรับพพอนะท่ีนะ